หลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยจางวังรำสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งมีวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าหลายเรื่องค่ะฝังเองเลยนะคะ เือเจ้ากลับมาเมืองไทยถ้าเจ้าไม่เลวเต็มทีเจ้าก็คงได้ทำการในบริษัทอันข้าเป็นหัวหน้าอยู่นี่แต่เสมียนทีแรกเข้าทำการในบริษัทนั้นไม่ว่าเป็นบุตรหัวหน้ากรรมการหรือหัวหน้ากุลีตำแหน่งที่หนึ่งคงเหมือนกันหมดคือตำแหน่งเสมียนสามัญซึ่งเมื่อถึงวันที่หนึ่งเดือนใหม่ ก็มีโอกาสที่จะเซ็นชื่อรับเงินของบริษัทไปได้ยี่สิบาททวนนี่คืออัตราเงินเดือนสมัยก่อนของสเสมียนนะคะยี่สิบบาทค่ะน่าจะพอสมควรทีเดียวละค้าจะยื่นตำแหน่งหัวหน้าในบริษัทให้เจ้าไม่ได้หากว่าข้าจะให้ได้ก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าไปกี่วันแต่จะเป็นอันตรายแก่บริษัทไปยืดยาวนะ ในชั้นพวกพรหมของบริษัทอันเป็นตำแหน่งที่ข้าอยู่นี่ก็ยังมีที่ว่างถมไปใครจะขึ้นมาอยู่ด้วยอีกก็ได้แต่ในบริษัทนี้ไม่มีรอกสาหรับชักใครได้ถ้าจะขึ้นให้ถึงยอดก็ต้องปีนขึ้นมาเองตั้งแต่ขั้นล่างขึ้นมาทั้งนั้นส่วนตัวเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ได้ร่ำเรียนมามากกว่าเสมียนธรรมดา ควรซึ่งเจ้าจะปีนได้เร็วกว่าแต่ความเร็วความช้าในข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองเมื่อข้าได้เปิดทางให้แล้วเจ้าก็ต้องใช้วิริยะเป็นผู้ดำเนินและปีนต่อไปความเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถหากว่าจะเป็นของหยิบยืดให้กันได้ถ้าเราบรรจุย่ามให้คนบางคนไปเป็นเครื่องหากินมันเดินไปตามทาง พบหมากัดกันเข้ามันหยุดดูเพลินเสียประเดียวเดียวสติปัญญาก็คงตกหายย่ามก็คงสูนคนบางคนให้แต่ย่ามมันเปล่าๆมันก็คงเก็บหนูตายไปขายเป็นอาหารแมวได้ทรับหนึ่งกากนึกกากหนึกนี่เป็นคล้ายๆกับเป็นหน่วยมาตราเงินที่ต่ำที่สุดนะคะคือน้อยที่สุดเลยอ่า หนึ่งกากะหนึกนะคะเป็นคำที่เราเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ยินกันก็ประมาณว่าหนูตายเอาไปขายเป็นอาหารแมวก็คงได้ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นรายได้มันก็เป็นเงินมันก็คงเก็บหนูตายไปขายเป็นอาหารแมวได้ซับหนึ่งกากะนึกมาซื้อน้ำตาลกับน้ำดื่มแลกดอกไม้ จากนายมาลาการจนมั่งมีขึ้นทุกชั้นแล้วยังจะทำกรงหับต่อเอาสติปัญญาของคนอื่นไปเก็บลงยาบไว้ด้วยเสียอีกการส่งลูกไปยุโรปบีดาบานดาที่พอจะส่งได้ไม่กล้าส่งก็เพราะกลัวกลัวลูกชายจะไปอยากเป็นคนใจคอกว้างขวางในหมู่เพื่อนดังกล่าวมาแล้ว การที่บีดามานดาพากันกลัวบุตรชายจะลงว่าตนเป็นลูกชายแบงก์ออฟอิงแลนด์นี้ก็มีข้อมูลที่ควรกลัวอยู่บ้างด้วยเด็กบางคนกว่าจะรู้สึกว่าตนเป็นบุตรนายมานายมีนายสีนายแดงเราธรรมดาธรรมดาไม่ไดีมีพ่อเป็นแบงก์หรือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับขุมทรัพย์สินไม่มีเวลาจะกลับตัวเสียแล้วเด็กบางคนไม่รู้สึกเอาเสียเลยทีเดียว เมื่อกลับมาเมืองไทยกลับคิดว่าจะได้เป็นเสนาบดีเอาด้วยซ้ำแต่ข้อที่มี ambition สูงเช่นนี้เป็นการตั้งหน้าทำการงานแข่งกับคนเป็นอันมากมีในวงเล็บว่าประเทศเรามีหกล้านหกแสนคนตามบัญชีสมโ น, มมโนโครวัวที่ประมาณใหม่ในยุคนั้นนะคะ ประมาณนั่นแหละคะ่ะสองสเจ็ดแดนี่ยมีหกล้านหกแสนคนก็อธิบายลักษณะของคนที่เรียนจบเมืองนอกในยุคนั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคนจำนวนน้อยพ่อแม่ก็คิดหนักเวลาจะส่งลูกไปเรียนยุโรปเพราะว่าใช้เงินเยอะและกลัวว่าลูกเนี่ยจะเสียผู้เสียคนหมายชิงหลักสำคัญอันมีอยู่เพียงสิบหลักเท่านั้นไม่เป็นข้อที่พึงจะติเตียน แท้จริงเป็นความคิดที่ควรอุดหนุนด้วยถ้ามีคนมีแอม б ิชันเช่นนั้นมากๆ ก, ก็ยิ่งดีหนักขึ้นแอมบิชันก็หมายถึงความทะเยอทะยานนะคะเพราะต่างคนต่างก็แย่งกันทําดีโดยประกวดกันใครชอบไล่เนื้อยิงเสือกําถั่วหัวโตก็พากันเลิกเอาเวลามาใช้ในการแข่งกันทําดีจนการงานต่างๆ ก็ดียิ่งขึ้นไปทุกวันกําลังและความคิดที่ใช้ในการแข่งขันกันนั้นย่อมเป็นผลแก่บ้านเมืองทั้งนั้นฝ่ายท่านที่ทำราชการตำแหน่งสูงสูงอยู่แล้วหากว่าจะชอบชนไก่ไล่เนื้ออยู่บ้างก็จะต้องละเว้นด้วยเราจะต้องเข้าใจว่าถ้าท่านใดเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในสมัยที่มนุษย์ตั้งหมื่นคนตั้งใจทาดีแข่งขันกัน เพ no, well, ื่อแย่งตําแหน่งซึ่งมีไม่กี่ตําแหน่งดังนั้นท่านก็คงเป็นด้วยชนะคนอื่นๆในทางทําดีประกวดกันและเมื่อท่านได้ชนะแล้วท่านจะต้องไม่กลับแพ้ท่านจึงจะรักษาตําแหน่งไว้ได้เหตุชนี้จึงเห็นว่าถ้ามีคนที่แอมบิชั่นสูงดังที่กล่าวแล้วสักหมื่นคนจะเป็นประโยชน์ยิ่งนัก ส่วนข้อที่บิดาบางคนไม่กล้าส่งลูกไปร่ำเรยียนในยุโรปเพราะว่ากลัวมันจะไปทำเป็นคนใจใหญ่นั้นก็มีมูลควรกลัวอยู่จริงดังที่กล่าวมาแล้วแต่จะพูดได้อีกทางหนึ่งว่ายุโรปเป็นตำบลสำหรับทดลองนิสัยเด็กได้เด็กคนไหนถ้ามันจะดีแล้วส่งไปยุโรปกลับมามันก็ไม่เน่าอย่างภาพประเจียด ถ้าอุดปืนบรอสอได้ก็ต้องเรียกว่าดีจริงฉันได้เด็กที่ส่งไปยุโรปถ้าได้เล่าเรียนในสถานวิชาชั้นสูงแล้วไม่เน่ากลับมาก็เรียกว่าพอใช้ได้ฉันนั้นเรื่องการเงินทองมีคนกล่าวอยู่แล้วว่าขารู้มากนะักมีเสียงเหมือนหนึ่งว่าข้าอาจสีเข้าเปลือกเกลียด น, นึงให้เป็นข้าวสารเกวียนนั้นก็ได้ และเงินของข้าแต่ละบาทเกือบจะติดอยู่กับตัวข้าด้วยไข่ตุ๊กแกแต่ที่จริงเจ้าก็อยู่มากับข้าแต่เล็กจนป่านนี้เจ้าคงทราบแล้วว่าเมื่อถึงคราวที่สมควรข้าก็คงควักถุงเงินโดยตะลีตะลานและไม่ได้ควักออกมาน้อยกว่ากามือเลยโดยรวมก็คือจะบอกว่าตัวเอง แม้ว่าจะเป็นคนขี้เหนียวแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจะต้องใช้ถึงเวลาที่สมควรก็สามารถที่จะเอาเงินออกมาใช้ได้เยอะๆโดยที่ไม่ลังเลเหมือนกับว่าเห็นขี้เหนียวขี้เหนียวแบบนี้เนี่ยถ้าถึงเวลาสมควรก็ควักเอาออกมาใช้ได้ ไม่มีปัญหาข้าจะขอกล่าวเสียตรงๆในที่นี้ทีเดียวว่าคนที่ทําใจคอกว้างขวางด้วยเงินที่ตัวไม่ต้องเฮือตกหามาได้เองหรือเป็นคนโอบอ้อมอารีด้วยเงินของคนอื่นนั้นใช้ไม่ได้อย่างตัวเจ้าเวลานี้ถ้าทำตัวเป็นคนใจใหญ่ก็ไม่ได้ทําด้วยเงินของเจ้าเอง ด้วยตั้งแต่เจ้าเกิดมาเจ้ายัางหาเงินไม่ได้สักสลึงหนึ่งความประสงค์ที่จะเป็นผู้มีใจกว้างขวางกระทาโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนฝูงนั้นเป็นต้นเหตุทำให้ที่ทำการในบริษัทนี้แน่นไปด้วยเสมียนตรีเสมียนโท ร, ราคาตั้งแต่สามสิบบาทไปถึงสี่สิบบาทคนเหล่านี้ จะเป็นเสมียนตรีและเสมียนโทอยู่จนหนวดหงอกไม่มีช่องดูที่จะเป็นอะไรต่อไปได้เพราะเป็นผู้ชอบทำใจคอกว้างเมื่อไม่มีทุนจะทำได้จึงต้องใช้เวลา8ดชั่วโมงในสิบสองตรึกตรองว่าควรจะได้รับอนุญาตให้เบิกเงินล่วงหน้าด้วยเหตุใดและในเวลาอีกสี่ชั่วโมงนั้นใช้ร่างหนังสือขอเบิกเงินล่วงหน้าสามเดือน หรือใช้ในการนั่งกอดเข่าเสียใจเมื่อเขาขอไม่ให้เวลาที่ใช้ในการตรึกตรองว่าควรจะได้เงินเดือนล่วงหน้าด้วยเหตุใดนี้ถ้าจะใช้ในการคิดหาลู่ทางที่จะทําให้กําไรของบริษัทเจริญขึ้นไปก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองตามส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทข้าจะทําอย่างไรอย่างไรก็คงอดขึ้นเงินเดือนให้ไม่ได้ และข้าก็คงไม่อยากอดเป็นแน่ในเวลานี้ถ้าเจ้ามีความต้องการจะเป็นคนมีใจเอื้อเฟื้อชอบเลี้ยงดูเพื่อนฝูงพาไปดูละครแข่งมา้าเลี้ยงแชมเปญและสุรุ่ยสุร่ายด้วยวิธีต่างๆเช่นนั้นแล้วเจ้าจงลองใจดู จนได้ทำการแล้วสักปีหนึ่งต่อไปนั้นถ้าเจ้ายังอยากเป็นคนใจกว้างขวางอยู่อย่างเก่าก็ตามใจเจ้าไม่ต้องอดต้องกลั้นต่อไปเพราะข้าจะทราบได้ว่าเจ้าไม่ได้เกิดมาสำหรับเป็นนายตัวเองข้อนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าพ่อเตือนลูกว่า การจะทำเป็นคนใจกว้างโดยที่ตัวเองยังหาเงินไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถ้าจะทำใจกว้างเลี้ยงดูคนอื่นริจะเป็นสายเปก็ควรจะเป็นเงินที่ตัวเองหามาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เอาเงินที่พ่อแม่ให้เนี่ยมาใช้เพื่อเป็นสายเตพูดง่ายๆนะคะ จากนั้นจางวังรำก็สอนต่อไปอีกว่าเมื่อขาเด็กกล่าวกับเจ้ามาดังข้างบนนี้แล้วเจ้าก็คงจะตอบว่าข้ายังไม่เข้าใจด้วยในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยยุโรปมันไม่เหมือนเมืองนี้เขาทำกันอย่างไรก็ต้องทำไปตามเขาเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามและเข้ากรุงโรมก็ต้องทำตามชาวโรมันหรือเมื่อ อยู่ในตำบลที่เขาจับไม่ขีดไฟกันด้วยจมูกและคลุก ป, ปากด้วยชำเปญนก็จะต้องทำไปด้วยตามๆการเป็นแฟชั่นจะไปทาแปลกกับคนอื่นอยู่คนเดียวก็ไม่ได้คำว่าแฟชั่นในที่นี้ก็คือแฟชั่นนั่นเองคำที่กล่าวเช่นนั้นมันเหลวทั้งเรื่องคนโบราณท่านอิน v น n ์วิธีต่างๆไว้หลายหมื่นปีแล้ว อินเวนในที่นี้ก็หมายถึงการประดิษฐ์นะคะสําหรับที่เด็กหนุ่มจะเลือกเสียคนและทาบ้าเดตตามชอบใจไม่ว่าเจ้าจะทําบ้าในเมืองนี้หรือเมืองนอกมันคงไม่แยกประเภทไปจากที่ท่านวางแบบไว้นั่นได้จะผิดกันบ้างก็แต่ฝอยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเจ้าจงอย่ากล่าวว่าข้าไม่เข้าใจว่าเมืองนอกมันเป็นอย่างไร ด้วยค่าทราบสนิทดีทีเดียวว่าจะเมืองนอกหรือเมืองในเจ้า ก, ก็คงไม่ทําบ้าแปลกแบบที่ท่านบ้ากันมาแต่โบราณไปได้ความประพฤติชนิดใดที่เมืองนี้นับว่าอยู่ในประเภทบ้าแลฉิบหายที่เมืองนอกมันก็ลงประเภทเดียวกันทั้งนั้นอนหนึ่งคนที่ต้องทําอะไรตามอย่างคนอื่นๆไปหมดนั้นมันเป็นคนไม่มีแววเป็นมนุษย์สามัญ เหมือนกับมนุษย์กี่พันล้านที่ฝรั่งเขามีอยู่ในโลกถ้าคนเราต้องทำตามอย่างกันไปหมดอย่างที่เจ้าว่าป่านนี้ก็คงยังไม่มีใครนุ่งผ้าด้วยตาอาดัมกับเยเอฟแกไม่ได้นุ่งผ้าลูกหลานของแกเกิดมาก็คงจะเอาอย่างเปรยกายต่อๆมาจนป่านนี้เพราะไม่มีใครจะกล้าทำแปลกกับคนอื่นเจ้าควรยินดีที่สุด ที่มนุษย์เมื่อสองสามพันปีมาแล้วเขามีความคิดอาจหานดีกว่าเจ้าในข้อที่กล้าทำผิดกับผู้อื่นโดยเป็นผู้ลงมือประดับกายด้วยใบไม้หรือหนังสัตว์ถ้าเขาขาดเหมือนเจ้าตลอดมาป่านนี้เจ้าจะหนาวนักนะผู้ชายที่ไม่กล้าทำอะไรผิดผู้อื่นนี่ เป็นคนใจเหมือนผู้หญิงที่ฝักใฝ่ในแฟชั่นจะกระดิกตัวหน่อยก็กลัวผิดแฟชั่นซึ่งกลัวยิ่งกว่าอุบาสิกากลัวศีลขาดแฟชั่นท่านสอนสั่งอย่างไรก็จะต้องปฏิบัติตามประหนึ่งว่าตัวเป็นทาตุซึ่งแฟชั่นได้ออกเงินไปทําศารกรมทรรมาไว้ธาตแฟชั่นเหล่านี้พระราชบัญญัติเลิกธาตก็ช่วยไม่ได้แมม เพราะความตรงนี้โดนใจจริงๆนะคะกลัวจะทำผิดแฟชั่นยิ่งกว่ากลัวผิดศีลพระราชบัญญัติเลิกท่าตก็ช่วยให้เลิกแฟชั่นหรือว่าเลิกทำตามสมัยนิยมไม่ได้จากนั้นจางวังรำก็สอนต่อไปอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะ เพราะถ้าเกิดว่าคนเราไม่เป็นตัวของตัวเองเอาแต่ทำตามคนอื tree, more, ่นๆโลกนี้ก็คงไม่มีอะไรใหม่การทำอะไรทำตามพวกนี้ก็เหมือนกับช้างโขงซึ่งถ้าต่างตัวต่างแตกกระจายเพ่นพ่านอาลวาดไปตามลำพังทุกๆตัวก็จะไม่มีเจ้าฝรั่งมาขอดูครองช้างที่เมืองไทยเพราะการครองช้างจะมีไม่ได้ถ้าช้างสามร้อยตัว กระจายไปสามร้อยทิศก็จะต้องมีช้างต่อหลายร้อยเชือกซึ่งจะมีไม่ได้หรือมีได้ก็ไม่เป็นประโยชน์ที่จะมีไว้เพราะฉะนั้นการครองช้างจะต้องเล anyway, ิกท ain> ีเดียวเทตุที่บริษัทยายด้วนในตราต้องพากันมาเข้าพเนียดได้ความลำบากนี้ ก็เป็นเพราะทำอะไรทำตามกันไปไหนก็เฮตามกันไปหมดตัวไหนมีน้ําใจกล้าหาญกว่าในสนบุตรชายจางวางรำในซึ่งไม่รังเกียจที่จะทำผิดกับตัวอื่นตัวนั้นก็แตกโขงกลับไปป่าได้ก่อนอันหนึ่งในการค้องช้างนี้เจ้าจะจาได้ว่าถ้าจะให้โขงไปทางไหนต้องมีช้างนำออกหน้าไปก่อน ั้างนำตัวนี้ต่างว่าชื่อไพรสีเวลาไม่มีอะไรจะทำก็ยืนเคี้ยวใบไผ่ทำตาปรือประหนึ่งว่าไม่มีอินเทอร์เนตอะไรในโลกอินเทอร์เตก็อินเทรเตรคือสนใจนะคะทับศัพท์ต่อเมื่อโครงจะเข้าพเนีย้ยไพรสีตัวเอกจึงออกหน้าเดินรีรีรอรอท่าทาง เหมือนพยักเรียกโคขงว่าให้เข้ามาทางปีกาหนีเ้เถิดทางในมีอะไรน่าดูนะักชาวป่าชาวดงอย่างพวกเองเข้ามาในกรุงจะต้องเห็นเป็นขวัญตาทำามาอย่างนั้นก็มาเสียเที่ยวเปล่าๆฝ่ายช้างโคขงเมื่อได้ยินพายสีกล่าวชักชวนดังนั้นออกไม่ใค่ไว้ใจแต่บางตัวเชื่อง่ายก็ออกเดินตามไอตัวอื่นๆมันเหมือนในสนบุดจางวางรำ มันก็ออกเดินตามกันไปหมดขั้นเข้าพเนียดกันแล้วถึงเวลาจะลำบากพวกในโขงจะต่อว่าเจ้าสีสิเจ้าสีเลี่ยงหายไปเสียแล้วอันนี้ก็เล่าถึงวิธีครองช้างซึ่งจะมีช้างต่อเหมือนกับเป็นนกต่อไปชักชวนเพื่อนช้างเข้ามา ในหมู่เด็กหนุ่มๆธรรมะเข้าด้วยกันคงมีพรายสีอยู่ด้วยทุกฝูงเจ้าจะต้องสังเกตเสียแต่แรกว่าในหมู่ที่เรียกว่าเป็นเพื่อนฝูงคบค้าสมาคมกันนั้นคนไหนเป็นพรายสีจะต้องทราบไว้ถ้าเห็นออกหน้านําโคขงเมื่อใดเจ้าจงเลี่ยงแตกโคขงไว้ก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวมันจะเหงาสักหน่อยก็ดีกว่าเข้าไปเบียดกันให้เขาต้องจัวจ้วะไปจั้วะมาในพเนีย่ จไปจ้มาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงการที่อมีการสับช้างนะคะเข้าใจว่าเช่นนั้นเพราะว่ามีช้างต่อไปชักชวนช้างอื่นๆให้เข้ามาแล้วก็ถูกขังอยู่ในพะเนียลแล้วก็จะถูกแบบของช้างอ่ก็คือเชื่อคนง่ายอ่ะเชื่อช้างง่ายนั่นเองเป็นการเปรียบเประยะสอนให้เป็นตัวของตัวเอง ทำอะไรก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำตามเพื่อนชวนเสมอไปต้องสังเกตให้ดีว่าเพื่อนคนไหนเป็นอย่างไรเพื่อนคนไหนเป็นช้างต่อที่จะาพาเราไปในทางที่ไม่ดีอะไรทํานองนั้นไปในทางเดือดร้อนนะคะในที่สุดแห่งจดหมายฉบับนี้ข้าขอให้เจ้ารีบประหยัดการใช้จ่ายลงไปให้มากถ้าเจ้าทําได้เจ้าไม่ต้องเขียนจดหมายมาบอข้าให้เสียเวลา เพราะบัญชีใช้ใจ่ายของเจ้าคงจะบอกอยู่แล้วถ้าเจ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียนหนังสือมาอธิบายว่าเป็นด้วยเหตุใดเพราะข้ารู้อยู่หมดแล้วเจ้าคงไม่มีอะไรมาอธิบายใหม่กว่าที่ข้าเดฟังมานักกว่าหนักแล้วลงชื่อจางวางรํานี่คือจดหมายฉบับที่สองนะคะ เอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะไปอ่านจดหมายฉบับที่สามของจางวางร่ำค่ะเมื่อนายสนผู้บุตรชายบอกมาว่าจะขอไปเรียน university คือมหาวิทยาลัยเมื่อไล่ได้เป็นบ a แล้วจิงจะกลับคือเมื่อสอบได้เป็นบ a สอบได้ปริญญาตรีแล้วนะคะับ BA เชอร e ลด e กรีเนี่ยแล้วจิงจะกลับ จางวังรำจะว่าอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน คุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะอยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะจิตรินเมฆเหลืองผลิต ร, รายการเจอกันที่นี่วิทยุไทยพีบอสนะคะกับหนังสือหน้าอ่านหลายหลาแนวกับการกลับมาอีกครั้งนะคะต้องเรียกก็เป็นเป็นเฟสสองคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะได้กลับมาเจอกัน เฟซสองนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องเจ้าแม่แล้วก็ต่อด้วยเรื่องคนคอมแห่งนอตโตรอมนะคะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะจดหมายจางวังรำซึ่งเป็นพระนิพนธ์แปลนะคะออขออภัยไม่ใช่พระนิพนธ์แปลเป็นพระนิพนธ์เลยของนอมศกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ซึ่งเป็นผู้เขียนนิทานเวตา น, นั่นเองค่ะ เป็นเรื่องพ่อสอนลูกผ่านจดหมายเกจฉบับนะคะส่งไปถึงลูกที่เรียนอยู่เมืองนอกอยู่อังกฤษพอเป็นเศรษฐีอยู่ชะเชิงเซาสมัยก่อนยังไม่มีอีเมลยังไม่มีไลน์ยังไม่มีแฟซก็ต้องใช้จดหมายละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านจดหมายฉบับที่สามกันต่อนะคะเห็นบอกว่าลูกชายจางวังรำ รำรำจะไปเรียนยูนิเวอร์ซิตี้พ่อจะว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วติดตามได้เลยนะคะกับเรื่องราวในหนังสือจดหมายจางวางรำพระนิพนธ์ในนอมศ อ, อค่ะ วัที่สามชะเชิงซาววันที่สิบสี่พฤศจิกายนถึงในสนผู้บุตรจดหมายของเจ้าเขียนเมื่อวันที่ยี่สิบตายนเรื่องที่เจ้าเกิดความเพียรใหญ่ถึงจะเรียนเอาดีกรีบีเอนั้นข้าได้รับแล้วข้าขอสรรเสริญความมักใหญ่ไฝ่วิชาของเจ้า แต่อุบายของเจ้าบางเหมือนจอหนังถึงข้าจะแก่แล้วก็มีแว่นตาใส่พอเห็นได้ว่าเจ้ายกเอาการเรียนวิชาขึ้นอ้างให้เป็นหมอกบางตาข้าเท่ากับเอาขี้พึ่งสีปากมาทาแว่นตาข้าเสียเพื่อจะไม่ให้ข้าเห็นในเวลาที่เจ้าทำหัวหกก้นขิดเล่นตามชอบใจเจ้าต้องขอใจ ว่าจะกลับมาจะทำการในโรงสีข้าวและที่จะเรียนเอา B.A. ในการสีข้าวก็คือโรงสีนั่นเองออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ไม่มี professor ที่จะสั่งสอนแลสอบไล่ให้ดีกรีเจ้าในวิชาประเภทนี้ได้โดยไม่ได้มี Rice Milling School ที่ออกซฟอร์ดหรือ Rice Milling School ที่เคมบริดจ์ เจ้าจงเยนหลงว่ายูนิเวอร์ซิตี้จะทำให้เจ้าเป็นเสมียนโรงสีดีสมกับเงินแลเวลาที่เสียไปถ้าจะเรียนได้ตลอดตามวิธีพับ c ิกสคูลก็พอใช้อยู่แล้วมนุษย์เราบางคนเล่าเรียนมีความรู้เป็นอันมากจากสมุดตำราบางคนมีความรู้ด้วยเรียนจากความคุ้นเคยและความสังเกต คนบางคนรู้จากแอ็กเซียมที่หนึ่งในตำรายูคเครต์คำนี้เนี่ยตำรายูครต์นะคะหมายถึงนักคณิตศาสตร์นะฮะยูครต์เนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์คนสำคัญเกิดที่เมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์เมื่อประมาณสามร้อยหกสิบห้าปีก่อนคริสตการค่ะ แล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของของกรีกนีก็ถูกอ้างอิงในตำรายูคลิดซึ่งแปลตามแบบเรียนว่าสิ่งทั้งหลายซึ่งเท่ากับสิ่งอันเดียวกันสิ่งเหล่านั้นเท่ากันหมดและแอักเซียมที่เก้าซึ่งแปลว่าจํานวนเต็มย่อมใหญ่กว่าส่วนของมันวงเล็บว่า ถ้าเจ้าไม่เคยเรียนยูคลิดเจ้าก็คงไม่เข้าใจคนบางคนสราบแอักเซียมที่หนึ่งด้วยได้เคยรู้เคยเห็นว่าเรือจ้างของเจ้าเขียวกว้างยาวและลึกเท่ากับเรือจ้างของเจ้าแดงเรือจ้างของเจ้าเส้งก็เท่ากับเรือจ้างของเจ้าแดงเพราะฉะนั้นเรือจ้างของเจ้าเขียวกับของเจ้าเส้งเมื่อเวลาไปจดทะเบียน เจ้าพนักงานคงกำหนดให้ว่าจะรับคนโดยสารได้เท่ากันทั้งสองลำส่วนอเอ i o m ที่เก้านั้นเจ็คขายหมูมันก็ย่อมทราบอยู่ทุกคนว่าหมูทั้งตัวมันต้องมากกว่าขาหมูขาเดียวอยู่เองคนซึ่งมีความรู้จำเพาะที่ได้เรียนจากตำราหรือจำเพาะที่ได้เรียนจากความสังเกตเคยได้เห็นได้ยินนี้ใช้ไม่ได้มันยังไม่พอ ด้วยมันรู้แคบรู้ไม่จริงมันต้องคนที่เรียนรู้จากตำรามาลองทำเห็นได้จริงๆจึงจะใช้ได้ถ้าเจ้าเปิดดูในคำภีของอัมแดงบีตันเจ้าจึงจะทราบได้ว่าถ้าจะทอดเนื้อวัวกับหอมฝรั่งเจ้าจะต้องทำอย่างไรแต่ถ้าเจ้าลองทอดดูก็คงไม่เป็นรสส่วนเจ๊กพ่อครัวทากับข้าวที่กุ๊กชอบ มันเกิดมาไม่เคยรู้ว่ากอขอฝรั่งมีกี่ตัวแต่โดยความเคยมันก็ทอดเนื้อวัวกับหอมฝรั่งได้บ้างแต่กินไม่เป็นรสเหมือนกันสู่ใหญ่ฝรั่งอ้วนเจ้าของโภชนะสถานที่เคยเรียกกันว่าเป็นโฮเทนเยอ้วนไม่ได้เพราะใหญ่นั่นแกรู้สูตรทศศร์ด้วยแกทาเป็นด้วย บรรดาวิชาต่างๆที่เจ้าเรียนมานั้นคงจะใช้เป็นประโยชน์ในบริษัทนี้ได้ทุกอย่างตั้งแต่ภาษาละตินไปตลอดตำราดาวแต่บางอย่างก็มีที่ใช้น้อยเช่นภาษาละตินคงจะใช้แต่เมื่อกุชื่อตัวอย่างเข้าเปลือกเข้าสารแหลมไม้ต่างๆที่ส่งไปออกพิพิธภัณฑ์เมืองฝรั่ง และตำราดาวจะใช้ในการบอกขายข้าวในบ้างกระมังเป็นต้นว่าเวลานี้ดาวพระโน่นไปเกี่ยวข้องกับดาวพระนี่แสดงว่าอีกสองเดือนข้าวจะแผงให้คนทั้งหลายรีบซื้อข้าวรงศรีจางวางรำเสียตั้งแต่ราคายังต่ำเทอส์ดังนี้เป็นต้นเจ้าจะเห็นได้ว่าแต่เจ้าได้รับเรียนเพียงเท่านี้ยังไม่ใครจะมีทางใช้วิชาได้ทุกประเภท เพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องศึกษาวิชาที่ยืดยาวให้ลึกซึ้งนักก็ได้ถ้าเจากระหายจริงๆจะหาเวลาเรียนต่อเอาเองบ้างก็คงไม่ขัดข้องเพราะเจ้าก็มีทางอยู่แล้วเมื่อข้ากล่าวว่าให้เจ้ารีบเรียนให้มากๆนั้นข้าหมายความว่าอย่าให้เสียเวลามากถ้าเจาเรียนสูงได้ต่อเมื่อไม่ต้องคิดถึงเวลา ก็อย่าให้มันสูงเกินต้องการไปเลยเปรียบเหมือนถ้าเจ้ามีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถ้าทำขนมจีบได้ก็ดีถ้าทำไม่ทันเอาแต่เพียงปั้นสิบก็ได้ซึ่งจะไปเสียเวลาอีกครึ่งชั่วโมงสำหรับทำปั้นสิบให้เป็นขนมจีบขึ้นนั้นไม่ควรข้อสำคัญที่เจ้าจะต้องหานั่นคือต้นทางที่จะทำให้เรารู้จักถนนที่ควรเดิน การเล่าเรียนคือเรียนให้รู้ทางและรู้พอที่จะเรียนต่อไปได้ข้าไม่ได้ตั้งใจให้เจ้าหอบรวมวิชาเมืองฝรั่งกลับมาเสียให้หมดควรจะปล่อยไว้ให้คนหลังๆเขาบ้างในเวลาที่เด็กหนุ่มถ้ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็เอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นจึงให้เจ้าเรียนแต่ไม่ต้องการให้เจ้ามีความรู้มากกว่ามนุษย์อื่น ถ้าถึงเจ้าจะรู้มากเท่าใดเจ้าก็ต้องไม่เป็นเอ็ดดิชันหรือมาคนนี้หรือใครๆที่ดอความรู้ของโลกได้สูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งและได้กำไรเป็นอันมากด้วยการที่ดอนั้นข้าลงมือหากินอย่างไรก็ได้เล่าให้ฟังแล้วคือลุงกล่อมแกว่าข้ากินข้าวจุนะแกจึงเตะออกจากบ้านให้ไปเที่ยวหากิน ของข้าก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากจะเชื่อคำลุงกล่อมถึงเที่ยวหากินเองจนบัดนี้มีข้าวหลายช้างกินไม่หมดก็ต้องส่งไปขายเมืองนอกอยู่ทุกเที่ยวกาปั่นแต่เวลาที่ข้าลงมือหากินนั้นไม่เหมือนกับเวลาที่เจ้าจะลงมือเพราะมือกระโน้นมันทำอะไรกันง่ายๆเท่ากับแต่โบราณ สั่งต่อเรือรบได้คราวละร้อยลำไม่ช้าก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ใครจะต่อเรือรบสักหกลำก็ต้องกะโปรแกรมว่าสิบห้าปีจริงจะแล้วเงินที่จะใช้จะต้องแบ่งออกจากงบประมาณปีละเท่านั้นเท่านี้บางทีต้องกันภาษีอากรบางชนิดไว้สำหรับเป็นเงินต่อเรือรบทีเดียวดูมันยืดยาวนะักถ้าจะเอาเรือเร็วอย่างเยอรมันเดี๋ยวนี้ บางทีโปรแกรมที่ตั้งไว้ก็ต้องเปลี่ยนไปใหม่พูดถึงเรื่องเก็บภาษีไปต่อเรือรบเมื่อวานเห็นในหนังสือพิมพ์ว่าภาษีที่เยอรมันกันไว้จำน่ายส่วนนี้นั้นประเภทหนึ่งคือภาษีคนตายเมื่อขาลงมือหากินอะไระไรมันก็ง่ายๆไม่ต้องรู้เลขเศษส่วนก็พอคิดทุนกำไรได้ เดี๋ยวนี้เกือบจะต้องรู้ตำราดาวถึงจะคิดต้นทุนกำไรถูกและเมื่อค้นพบแล้วก็มักอยู่ราวๆเดซิมันที่สา ม, มันหาเหมือนเมื่อกระโน้นไม่ในเวลานี้บาทหนึ่งมันก็ยังสี่สลึงอยู่อย่างแต่ก่อนแต่มันมักเป็นสลึงงอๆไปเสียสองสลึงเปรียบความอย่างเดียวกับกำไรแต่ก่อนถ้าได้ห้าบาท มันก็ห้าบาทเดี๋ยวนี้ถ้าได้ห้าบาทมันก็เป็นค่าเครื่องใช้สึกรอเสียเฟื้องหนึ่งค่าใช้ซอยต่างๆเสียสองสลึงยังค่าอะไรต่ออะไรอีกมากมายจนเกือบว่าถ้าอยากจะรู้กำไรจริงจะต้องเรียนนักปราชทางเลขมาจากเคมบริดจ์วิธีเลขชวางกนต่างๆเหล่านี้มันง่ายไปเสียหมดแล้ว ใช้คิดต้นทุนกราไรอย่างใหม่ๆไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นในเวลานี้ก็ยังมีช่องทางที่คนใหม่ๆจะหากินได้เหมือนแต่ก่อนถ้ามองหาแต่เพลินๆก็ไม่พบอย่างเมื่อสามสิปีมาแล้วถ้าเจ้าแบกปืนคาบศิลาไปทุ่งสะประทุมก็ยิงนกซ่อมได้เต็มกระจาดเมื่อสิบปีมาแล้ว ปืนแฟดธรรมดาไปเพียงบางซื้อก็ได้นกล้นหม้อแกงเดี๋ยวนี้มันต้องขึ้นรถไฟไปเกินเกินเพราะปะมอีกห้าสิบปีถ้าจะยิงนกซ่อมจะต้องขนปืนแกตลิงลูกปลายขึ้นพยมยานไปตามขอบขอบป่าหิมะผ่านอันนี้นอมสอก็ทํานายไว้ถูกเลยนะคะแต่ก่อน แค่บางซื้อโอ้โหตับเดียวได้นกเต็มหมอ้อแกงแล้วนะคะอาจลองฟังต่อนะคะการงานอื่นๆก็เหมือนกันแต่ก่อนจะผัดหมี่ก็ไปซื้อเส้นมาจากโรงเจ็กเดี๋ยวนี้จะต้องซื้อเส้นมาจากประเทศอิตาลีจึงจะเป็นหมี่ดูสิหม้อน้ำเครื่องไฟตะกอนถั่วรั่ว เอาโคลนกับแกลบปะก็พอไปได้เหมาะน้ำเดี๋ยวนี้ถ้ารั่วก็อยากจะเลยทิ้งเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยทีเดียวการงานในบริษัทใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มันต้องมีหมอควาหมอยาอินเจเนียจินตะกวีและอะไรบ้างก็ น, นึกไม่ทันไม่ช้าเราจะต้องหาว่าจ้างนักพรสและฤาษีชีภัยเอาไว้ให้พร้อม จึงจะมีคนงานทุกแผนกคือก็เป็นช่วงที่ฝรั่งเริ่มเข้ามาทำงานมีบริษัทห้างร้านต่างๆมากขึ้นนะคะจริงๆไม่ได้เริ่มหรอกมีเข้ามาเยอะละโครงสร้างของบริษัทก็เต็มไปด้วยแผนกต่างๆที่มีผู้คนมากมายซับซ้อนมากกว่าแต่ก่อนคนที่เรียนมามากๆนั้นใช่ว่า ค่าจะเห็นว่าใช้ไม่ได้ทีเดียวเมื่อใดที่ใช้ได้ดีก็มีเช่นเจ้าจ๋องลูกชายสมุบัญชีจุ่นนี่เป็นตัวอย่างเจ้าจองคนนี้เวลาสมุหาบัญชียังมั่งมีก็ได้ไปศึกษาศิลปศาสตร์วิชาการณะสำนักที่สาปามโมกเมื่อกลับมาก็รู้หลักนักปราชญ์ตีเปลโต้โฮเมอร์เฟอร์ยูมิวตัน นี่เป็นชื่อของอนักปราาทนักปรัชญาแต่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็รู้ขึ้นใจราวกับเคยเป็นเกรอกันมาตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยจะชักให้เจ้าจ๋องเป็นจินตะกวีเอาด้วยซ้ำด้วยข้าได้เห็นเคยเขียนอะไรที่รูปร่างคล้ายๆโครงอย่างน้อยสองครั้งส่วนสมุหะบัญชีจุนเป็นคนพอมีอันจะกิน อยู่ดีๆไม่ว่าดีไพร์เอาเงินไปเข้ากับเขาทำภาษีครั้นสิ้นปีเงินทองมีอยู่เท่าไรก็หมดเรือกสวนไรน่นามีอยู่ก็ไปเละหลังที่หอรัศดาตัวสมุหะบัญชีจุนเองเมื่อเสียทีก็เลยบวชไปอยู่แถ บ, บเมืองชนบทฝ่ายเจ้าจ๋องเป็นคนไม่สู้หมันไม่สู้หมันนี่ก็คงหมายถึงไม่ค่อยขยันนะคะ เวลาพ่อยังมีให้กินก็ไม่ทำอะไรที่ออกเรี่ยวแรงจะมีบ้างก็แต่พยายามจะเป็นมนุษย์ชนิดเวอร์ยินขึ้นอีกนายหนึ่งครั้นสมุหบัญชีจุนพลาดลงไปดังนั้นแล้วเจ้าจ๋องเป็นคนมีความคิดก็เลิกข้อที่จะพยายามจะเป็นผู้มีชื่อเสียงในห้าร้อยปีข้างหน้าว่าจะเป็นจินตกวีตัวเอกในตอนต้นแห่งร้อยปีที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ เพระาะทราบว่าถ้าเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงปรากฏไปอีกห้าร้อยปีก็ไม่หิวแต่ไม่มีกินในเวลานี้หิวนะักดังนี้เจ้าจ๋องก็หยุดเป็นจินตะกวีแล้วมาหาข้าบอกว่าจะรับเป็นเลขานุ ก, การข้าไม่ต้องการเลขานุ ก, การด้วยไม่มีงานพอจะให้ทำเจ้าจ๋องกลับว่าเสมียนก็ได้ แล้วขอทําลงไปทุกตำแหน่งจนถึงนักการและคนใช้ในออฟฟิศข้าบอกก็เสียใจที่ไม่มีตำแหน่งว่างถ้าว่างเมื่อไหร่จะเรียกคือเจ้าจ๋องมาสมัครงานยอมลดระดับตัวเองแต่จางวังรำก็ไม่รับผูดตามจริงข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจ๋องมันจะทําอะไรได้ดูรูปร่างมันแข็งแรงก็จริง แต่ดูกิริยามันครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่บ่อยๆตั้งแต่นั้นมามันก็มานั่งคอยค่าอยู่หน้าออฟฟิศประมาณวิคละสองครั้งว่าเผื่อจะมีตำแหน่งว่างลงใหม่หลงท้ายข่าอดปรนทนไม่ได้จึงบอกว่านี่แน่เจ้าจ๋องไอการงานในออฟฟิสนั้นมันไม่ใครว่างง่ายๆด้วยพวกที่ทำอยู่แล้วเ้ายอมรักตำแหน่งของเขางานที่จะรับคนเข้าใหม่ได้ มีอยู่ดอกแต่กลัวเจ้าจะทำไม่ไหวเจ้าจ๋องตอบทันทีว่างานอะไรทำไหว้หมดข้าเสียท่าก็ต้องรับไว้แล้วก็ส่งไปอยู่กับพวกกุลีขนกระสอบข้าวลงเรือคิดว่ามันอยู่ได้ไม่กี่วันมันก็ไปเองครั้นประมาณสามเดือนเมื่อข้าลืมเจ้าจ๋องสนิทแล้วจึงได้รับหนังสือผู้จัดการขอให้เลื่อนตำแหน่งเจ้าจ๋อง โดยเหตุผลที่เด็ดทำประโยชน์ให้แก่บริษัททุนค่าแรงกุลีลงไปได้คือเมื่อเอจ้าจ่องไปแบกกระสอบอยู่ได้หน่อยนึงมันหนักแรงและมันขี้เกียจแบกหนักเข้าก็คิดสร้างทอจอ ก, กอขึ้นชนิดหนึ่งคือทำรางสูงพ้นหัวสำหรับให้กระสอบข้าวเดินจากในโรงไปลงเรือได้เองเป็นแต่ยกกระสอบขึ้นวางบนหัวรางทางโน้น มันก็เลื่อนกรูดไปลงทางนี้ตั้งแต่นั้นมาการขนกระสอบข้าวลงเรือก็ใช้คนเพียงหนึ่งในสิบของจำนวนที่เคยต้องใช้คือเจ้าจองนี่ก็เป็นคนช่างคิดประดิษฐร์รมนะคะคิดทำเครื่องทุ่นแรงทำรางสำหรับส่ ง, ส, งส่งกระสอบข้าวสารขาสราบอยู่แล้วว่าเจ้าจองเป็นคนขี้เกียจ แต่ความขี้เกียจของมันทำให้บริษัททุ่นเงินเข้าไปเดือนละมากๆตกลงค่าก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้แล้วเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นชั้นๆจนภายหลังได้เข้าไปเป็นเสมียนอยู่ในออฟฟิศและที่ในบริษัทใช้พิมพ์ดีดมาจนป่านนี้ก็เพราะเจ้าจ๋องเจ้าจ๋องลายมือไม่สู้ดีและเขียนช้ามันเห็นท่าทางว่า มันจะต้องเป็นเสมียนเลวอยู่ร่าไปมันจิงกวนไม่ได้หยุดจนต้องซื้อพิมดีดใช้จนได้ในเวลานั้นพิมดีดยังเป็นของใหม่ข้ายังไม่ไว้ใจก็ไม่ใครยอมด้วยกลัวจะเสียเงินเปล่าครั้นเมื่อตกลงซื้อไว้ใช้พอกับงานแล้วก็กลับลดเสมียนลงไปได้อีกหลายคนเจ้าจ๋องเห็นได้ทีก็ร้องของเงินเดือนขึ้นอีก ค่าก็ต้องให้ภายหลังมาแม่ของเจ้าเกิดมีความคิดที่จะทำการค้าขายส่วนตัวบ้างด้วยไปได้ตำราทำน้ำปลามาจากไหนว่าเก่งนักมีศรัทธาแก่กล้าถึงลงทุนกว่าสิบช่างไหนว่าจะขายทั่วเมืองไทยน้ำปลาอื่นๆจะต้องเลิกหมดชื่อเสียงของเมืองระยอง ก็จะเสื่อมลงไปส่วนหนึ่งเมื่อแม่เจ้าเด้ลงมือและลงทุนทำน้ำปลาเป็นการใหญ่ดังนี้แล้วข้าดูดูเห็นท่าทางจะไม่ได้การกลัวจะยุ่งในเรื่องบัญชาบัญชีก็โยนให้เจ้าจ๋องไปช่วยเป็นผู้จัดการเจ้าจ๋องไปถึงก็คิดเป็นการใหญ่ขึ้นต้นลงมือบอกขายในเนื้อสือพิมพ์และตีใบปลิวใหญ่น้อยร้อยอย่าง มันสมองแผนจินตะกบีในหัวเจ้าจ๋องเคยหยุดการมานานบัดนี้ได้ช่องก็เอาใหญ่เช่นว่าน้ำปลาโอชารสมาดแมนมดหมดเมืองมาลองลิ้มชิมน้ำปลาจักดูดดืม่มลืมน้ำตาลอันนี้คือตัวอย่างข้อความที่เจ้าจ๋องเนี่ยใช้ในการโฆษณา ส่วนรูปภาพก็มากไม้กายก้องเป็นต้นว่าทํารูปคนคนหนึ่งเมื่อยังไม่ได้กินน้ําปลาดูทุกพลภาพมีแรงมาเกาะถามหาอยู่ถึงครึ่งโหลครั้นได้กินน้ําปลาแล้วไม่กี่มากน้อยโดยเหตุที่กินข้าวได้ทุกมือ้อดูร่างกายล่ําสันขนาดขนาดแซนด้ามีรูปช้างรูปเสือวิ่งหนีแสดงว่าผู้นั้นมีกําลังมากประมาณเจ็ดเท่ากําลังแฮรคูลิส ฮันุมานสรังแฮคูลิสก็คือเฮอร์คิวลิสน่าจะหมายถึงคนเดียวกันนี่ล่ะคะ่ะจอมพลังนะคะเอาละ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะจะมีเรื่องของการที่เจ้าจองเนี่ยมาช่วยภรรยาจางวังรำทำธุรกิจน้ำปลาคะ่ะ ซึ่งเจ้าจ่องเนี่ยก็มีวิธีการประชาสัมพันธ์มีวิธีการโฆษณาที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอันนี้สนุกค่ะทำให้ได้เห็นภาพของสตาร์ทอัพในสมัยนั้นนะคะ